เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุงใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตวงผลประโยชน์อัน ที่พึ่งจะได้รับจากพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ผลประโยชน์ได้ดีกว่าผลประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะให้แก่พวกเราทั้งหลายการที่เราจะตักตวงผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต้องมีการกระทำอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางภาษาพระท่านเรียกว่าปริยัติธรรมขั้นที่สองคือการปฏิบัติสิ่งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษามาแล้วเอาไปปฏิบัติ กับกายวาจาใจของตนขั้นที่สองนี้เรียกว่าปฏิบัติตธรรมนี่คือขั้นบัณฑายสองขั้นที่จะนำไปสู่ขั้นที่สามคือปฏิเวทหมายความว่าการสำเร็จผลการได้รับผลประโยชน์ที่พระพุทธศาสนา จะมอบให้กับเราถ้าเป็นนักศึกษาก็สแสดงว่าได้เรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วคือปริญญาตรีโทเอกพราะพุทธศาสนาจึงเป็นสถาบันของการศึกษาแต่สมัยนี้เนื่องจากขาดการสนใจในเรื่องการศึกษา ศาสนาเลยกลายเป็นสถานที่มาประกอบพิธีกรรมต่างๆจึงทำให้ผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์ตามประโยชน์ที่ควรจะได้รับนั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดการ บรร ล, ลุมรผลนิพพานนี่เพราะว่าพุทธศาสนิกชนทุกวันนี้ไม่ได้มีความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเข้าวัดก็เข้าไปตามคำสอนของผู้อื่นที่เรียดกันมาแบบผิดผิดถูกถู ก, ถ, กถูกบ้างผิดบ้างจึงกลายเป็น การมาวัดเพื่อมาทำพิธีกรรมต่างๆแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการฟังเทศฟังธรรมส่วนใหญ่เข้าวัดก็ขอเพียงได้กราบพระจุดธูปเทียนแล้วก็กราบพระอธิษฐานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้หลังจากนั้นแล้วก็ ลาไปผลที่ได้รับนั้นก็ไม่ได้รับไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขอแต่เป็นเรื่องของเหตุที่เคยได้ทำมาในอดีตบางคนขอแล้วก็พอดีตรงกับเหตุที่เคยได้ทำไว้ในอดีต <c oughs> ก็ทำให้ได้รับผล <c oughs> ก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นเป็นผลที่ได้จากการขอ ก็จะนำมาไปสอนคนอื่นต่อๆไปอีกทําให้คนอื่นนั้นหลงคิดตามไปแบบเดียวกันส่วนคนที่ไม่ได้รับก็ไม่ได้ไปพูดไปสอนใครว่าอธิฐานแล้วไม่ได้อะไรเพราะกลัวบาปกลัวจะเป็นบาปขึ้นมาความจริงแล้วการอธิษฐานการขอนี้ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพธธุทธเจ้า คำปทิฐานของพพระพุทธเจา้านี้ท่านสอนว่าให้ตั้งใจตั้งเป้าหมายอยากจะได้อะไรเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไปที่เหตุเพราะเหตุเป็นที่มาของผลเช่นเราอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ต้องเป้าหมายไปที่การขยันเรียนหนังสือขยันไปโรงเรียนขยันทำการบ้าน ขยันสอบนะขยันเข้าหาครูบาอาจารย์ถ้ามีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจนี่คืออธิษฐานทางของพระพุทธเจ้าท่านให้อธิษฐานที่เหตุเช่นว่าอธิษฐานว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไปโรงเรียนทุกวันข้าพเจ้าจะทำงานทาการบ้านให้ครบทุกวันจะอ่านหนังสือทุกวัน อย่างนี้ถึงเวลาไปสอบก็จะสอบได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเวลาสอบเขาก็ทดสอบดูว่าเราได้เรียนมาได้ทำกา ร, าการบ้านมาหรือเปล่าเราจาได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้นเราเรียนอะไรมาบ้างก็ไม่มีอะไรลึกลับตรงไหนถ้าใครขยันเรียนหนังสือขยันทำการบ้าน ขยันเข้าห้องเรียนก็จะต้องเรียนจบกันดังนั้นคนที่เรียนไม่จบก็คือคนที่ไม่ขยันเรียนไม่ไปโรงเรียนไม่เข้าห้องเรียนไม่ทาการบ้านนี่คือพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้สอนให้รู้จักเหตุให้รู้จักผลเพราะว่าเราจะได้ได้ผลตามที่เราปรารถนากัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ในเงื้อมมือของเราอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องศึกษาดูว่าเหตุที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเช <Yeah. S 1> ่นถ้าอยากจะร่ำรวย <Yeah. S 1> เหตุที่จะทำให้เราร่ำรวยก็คือความขยันความรู้ความขยัน ถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องขวนขวายหาความรู้ก่อนเมื่อมีความรู้แล้วก็นำความรู้นี้มาใช้ในการหาเงินหาทองก็ต้องขยันทำงานหาเงินหาทองไม่ใช่ขี้เกียจอยากจะได้แต่ไม่ขยันหาเงินหาทองกับขยันใช้เงินใช้ทองอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะร่ำรวยได้ มีแต่จะยากจนลงไปไเรื่อยเพราะว่าเหตุนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้ร่ํารวยแต่เป็นเหตุที่จะทําให้ยากจนนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมาเจริญเหตุกันซึ่งมีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือการศึกษาก็ทํารมคสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเราควรจะศึกษาจากต้นตอจริงคือศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอย่าไปศึกษาจากคนอื่นที่อาจจะเรียนมาบ้างหรือเรียนไม่ได้เรียนมาบ้างอาจจะไปเรียนมาแบบผิดๆจากคนที่ไม่รู้จริงแล้วก็เอามาสอนต่อกันเราก็จะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราควรจะได้รับดังนั้นขั้นต้นนี้เราต้องศึกษาจากต้นตอคือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ได้ถูกจารึกไว้ในพระไตรไปิฎกจริงอยู่พระไตรปิฎกนี้เป็นหนังสือที่มีหลาย เล่มด้วยกันแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาทุกเล่มในพระไตรปิฎกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถึงแม้จะมีมากมายกลายกองอย่างไรก็ตามทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะออกมาจากคำสอนหลักๆก็คือการสอนให้เรา ดับทุกนั่นเองให้เรารู้จักความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ให้รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์นี่คือหัวใจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่สอนให้เรารู้จักความทุกข์ของเราและให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ของเรา ถ้าสรุปโดยง่ายๆวิธีที่จะดับความทุกข์ของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปลงอยู่3าข้อใหญ่ๆคือ 1. ทางเป็กะคือการให้ 2, สองศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาปา 3. ภาวนาคือการชำระจิตใจให้สะอาดภาวนานี้ก็มีรายละเอียดอยู่สองตอน สองส่วนก็คือสมาธิและปัญญานี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้นี่คือแก่นของพระศาสนานี่คือเหตุที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นขอให้เราจงทํทำความเข้าใจและศึกษาให้ถูกต้องว่าศาสนาพุทธนี้สอนให้เราได้อะไรศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้เราล่ารวยสอนให้เราเป็นใหญ่เป็นโตสอนให้เราหาความสุขจาก สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุเพราะศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาที่นำมาสั่งสอนนี้ท่านท่งเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ให้กับเราแต่กลับจะมาสร้างความทุกข์ของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะ เวลาที่เราได้อะไรมาเราก็จะเกิดความผูกพันเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดแล้วก็เกิดความอยากถ้ามีความอยากเกิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราความไม่สบายใจทั้งหมดความทุกข์ใจของเราทั้งหมดนี้ เกิจากความอยากของเราไปอยากกับสิ่งที่เรามีความผูกพันอยู่เช่นเรามีอะไรเรารักสิ่ง น, นั้นเราก็จะผูกพันกับสิ่ง น, นั้นเราก็จะไม่อยากให้สิ่ง น, นั้นจากเราไปเราไม่อยากให้เขาเสียหรือไม่ดีเราอยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาเจริญ อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแต่เราไม่มองความจริงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือการมีการเกิดและการดับนั่นเองเราไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการดับไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่เมื่อถึงเวลา เขาก็จะต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นเช่นเดียวกันแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่ดับไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายก็คือตัวเราตัวเราที่มาครอบครองสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เริ่มต้นที่ร่างกายก่อนก่อนที่เราจะมีอะไรได้ สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนก็คือร่างกายร่างกายเราก็ได้ในขณะที่ร่างกายนี้ตั้งตัวอยู่ในท้องของแม่เราคือดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจนี้ก็เข้าไปครอบครองไปจองร่างกายนี้ไว้พอร่างกายนี้คลอดออกมาเราก็จัดการเป็นผู้สั่งการ ให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆแล้วความหลงของเราก็หลอกเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่เราไม่เคยถามเลยว่าก่อนที่จะมีร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนเราเป็นอะไรเราอยู่ดีๆจะโผล่ขึ้นมาจากจากการผสมของธาตุได้อย่างไรธาตุนั้นเป็นเพียงธาตุคือดินน้ำลมไฟ ดินน้ำลมไฟนี้ไม่สามารถแปลงให้ไปเป็นดวงจิตดวงใจได้เพราะว่าดวงจิตดวงใจนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่รวมกันทำให้เกิดเป็นร่างกายนี้ขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญามีความสามารถที่จะมองเห็นว่า เรามีทั้งร่างกายและมีทั้งจิตใจร่างกายนี้เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวที่จิตใจได้มาครอบครองแล้วพอเกิดความหลงก็เกิดความผูกพันเกิดความยึดติดเมื่อคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ต้องอยากจะให้อยู่กับเราไปเสมอไม่อยากให้ต้องจากเราไป แต่เราก็รู้ความจริงว่าทุกคนร่างกายของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องมีวันดับไปไม่มีร่างกายร่างไหนที่จะอยู่ไปได้อย่างถาวรแต่เนื่องจากที่เราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายที่จะต้องตายไปนั้นเขาไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรเลยแต่ผู้ที่หวาดกลัวนั้นคือผู้ที่ไม่ตายคือใจแต่เนื่องจากขาดความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่จะรู้ได้จากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพวกเราถึงถือว่ามีโชควาสนามาก ที่เราได้มีโอกาสมาพบความรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็จะหลงยึดติดอยู่กับร่างกายไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติพอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะต้องยึดติดกับร่างกาย หลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็จะทุก์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าทรงเสะทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าความทุกข์คือน้าตาที่เราหลั่งจากความทุกข์จากการที่เราได้ร่างกายนี้มาน้ำตาในแต่ละรบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้ว ท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทระอีกนั่นคือจำนวนร่างกายหรือจำนวนภพชาติที่เราไปหลงยึดติดอยู่แล้วก็ต้องหลั่งน้ำตาไปในแต่ละภพแต่ละชาติมากมายกายกองและจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้าเราไม่ได้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติมาศึกษาก่อนศึกษาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างความจริงแล้วเป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายของทุกคนนี้เป็นดินน้ำลมไฟ เมื่อมารวมตัวกันก็กลายเป็นอาการส2สองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดู<ม>เป็นอวัยวะต่างๆความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ตัวเรา<ม>เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลาน เขามาครอบครองไว้เป็นสมบัติชั่วคราวของเขาเท่านั้นดังนั้นเวลาที่ร่างกายเขาตายไปนั้นตัวเขาไม่ได้ตายไปด้วยพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ใจของพ่อแม่ยังอยู่แต่เนื่องจากใจยังมีความหลงยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็เลย ไขว่คว้าหาร่างกายอันใหม่ต่อไปร่างกายอันใหม่ที่จะได้ก็มีอยู่สองส่วนร่างกายที่ดีและร่างกายที่ไม่ดีร่างกายที่ดีก็ร่างของเทพของพรหมของมนุษย์ถ้าเป็นของเทพของพรหมก็เป็นกายที่ไม่ไม่ใช่กายยาบถ้าเป็นกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ก็จะเป็นกายยา ต้องมีดินน้ำหลงฝายมาประกอบส่วนร่างกายที่ไม่ดีก็คือร่างกายของเดรัจฉานเช่นสุนัขแมววัวควายต่างๆนี่เป็นร่างกายของของผู้ที่ทำบาปของใจที่ทำบาปก็จะต้องไปรับรางวัลที่ไม่ดีส่วนผู้ที่ทำบุญทำความดี ก็จะได้รับรางวัลดีก็คือจะได้ร่างกายดีได้กายที่ได้เป็นเทพเป็นพรมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเก่ามีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่ามีสติ ป, ปัญญาความรู้ความฉลาดที่ดีกว่าเก่าพวกเราที่มาเกิดที่ได้ร่างกายมนุษย์ เราจึงมีความแตกต่างกันทั้งๆ ท, ที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน<ม>ก็ยังมีความแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาดีกว่ากันฐานะการเงินดีกว่ากันสติปัญญาความรู้ความฉลาดดีกว่ากันความดีความชั่วก็ดีกว่ากันเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่คนยังดีแสนดี อีกคนหนไม่ดีเลยหรือดีน้อยกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าชาติก่อนใจนั้นทำดีทำชั่วมาไม่เท่ากันทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไม่เท่ากันนั่นเองจึงทำให้คนเรามีความแตกต่างกันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ ทำไมบางคนบวชเป็นพระได้ทำไมบางคนบวชไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่ก็บวชได้นั้นในอดีตเขาเคยทำมาก่อนเขาเคยศึกษาเคยบวชมาก่อนมันก็ติดเป็นนิสัยของมาพอเขามาเกิดพอมาพบนักบวชเขาก็จะเกิดความพอใจติดใจที่อยากจะเป็นนักบวชเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกัน ในอดีตชาติท่านก็เคยเป็นนักบวชมาเป็นนักปฏิบัตินักศึกษาข้อธรรมต่างๆมาพอท่านอาลัเกิดเป็นพระราชาโวลตถึงแม้พระพุทธถึงแม้พระราชบิดาพยายามที่จะไม่ให้พระองค์ได้ออกไปจากนอ ก, กวังเพราะกลัวว่าถ้าไปเห็นนักบวชแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดวดอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงสเสด็จ ไล้ลอดออกไปนอกพระราชวังไปเที่ยวไปดูสิ่งต่างๆภายนอกวังก็ได้พบกับสิ่งสี่ประการด้วยกันที่ทำให้พระองค์นั้นต้องออกบวชก็คือหนึ่งเห็นคนแก่ 2. เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยสเห็นคนตายและสเห็นนักบวช เวลาเห็นคนแก่ตอนต้นก็ไม่ไม่รู้จักเพราะไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนก็ถามมาหาดเล็กมาดเล็กก็ว่ า, วาก็เป็นเหมือนพระ อ, องค์นี่แหละแต่เมื่อมีอายุมากเข้าเวลาร่างกายก็จะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเป็นคนแก่ไปพอเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้คําตอบเช่นเดียวกันว่าต่อไปพระ อ, องค์ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอไปเห็นคนตาย ก็ได้คําตอบเช่นเดียวกันว่าร่างกายของพระองค์ก็จะต้องตายไปในที่สุดเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เกิดความวิตก<อ>เกิดความหวาดกลัวแต่พอเห็นคนที่สี่คือเห็นนัก บ, บวชก็ถามว่าเป็นใครก็ได้คําตอบว่าเป็นผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ก็เลยพระ อ, องค์ทำให้พระ อ, องค์นั้นตอนต้นตกใจกลัวว่าพระ อ, องค์จะต้องตายไปแต่พอได้รับคาตอบว่ามียังมีพวกที่หาทางที่จะให้หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้อยู่จึงทำให้พระ อ, องค์เกิดความศรัทธาที่อยากจะออกบวชเพราะไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนั่นเองนี่แหละคือ บารมีเก่าหรือบุตรเก่าที่มีอยู่ในใจของพระองค์ที่เคยได้ปฏิบัติมาเคยเป็นนักบวชมาก่อนพอได้มาเห็นนักบวชแล้วก็ทราบถึงเหตุผลของการบวชว่าบวชเพื่ออะไรพระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระทยัยจะด็ดออกจากพระราชวังไปแล้วก็ไปบำเพ็ญเป็นนักบวชอยู่ถึงหปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ตัดสร้น คือได้พบความจริงของร่างกายและจิตใจว่าเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ความหลงหลอกให้ไปผูกพันให้ยึดติดอยู่กับร่างกายให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา พพระองค์สรงได้แยกแยะให้อย่างชัดเจนแล้วพระไทยของพระ อ, องค์ก็หยุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นนั่นแรละร่างกายของคนอื่นเวลาแก่เจ็บตายเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ความหลง ม, มันหลอกให้เราคิดว่าเป็นตัวเรา แต่พอเรารู้แล้วว่าร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราไม่เดือดร้อนอย่างไรเวลาร่างกายของเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็ไม่เดือดร้อนได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักทำใจหรือรู้จักหยุดความอยากหยุดความหลงที่มันคอยลาก เ, าเราให้เราไปผูกติดอยู่กับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันเราต้องแยกใจของเราให้ออกจากร่างกายให้ได้และเครื่องมือที่จะทำให้เราแยกใจของเราออกจากร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ก็คือการปฏิบัติสามขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่เองคือทางศีลแล้วก็ภาวนาทางนี้ก็สอนให้พวกเราปล่อยวางหรือ กำจัดสิ่งที่เราเหลงติดอยู่ที่ไม่มีความจำเป็นกับเราเช่นเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นเราต้องการเงินทองเพียงพอที่จะดูแลรักษาร่างกายของเหล่านี้เท่านั้นถ้าเรามีปัจจัยสี่พอแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปขวนขวายหามาเพิ่มอีกแล้วก็ถ้ามีเกินก็ควรที่จะเอาไปให้คนอื่น เพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาศีลป้องกันใจของเราไม่ให้ไปทำบาปทำกรรมเพราะความหลงที่เรายังมีอยู่จะหลอกให้เราไปทำบาปทำกรรมแล้วก็จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นัว่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาวนาได้เราต้องมีศีลก่อนใจเราต้องเย็น ต้องสบายไม่วิตกกังวลกับการกระทำบาปต่างๆพอใจเราสบายแล้วเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเรียกว่ามาภาวนาใจของเราก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะสามารถแยกใจของเราออกจากกายได้อย่างถาวรนแยกใจของเราออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถาวร พรมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาปัญญาก็แสงสว่างนั่นเองเหมือนกับเวลาเราอยู่ในที่มืดเราไปจับไปคลำอะไรเราก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่พอเราเปิดไฟมีแสงสว่างสิ่งที่เราจับอยู่เราจะรู้ทันทีว่าเป็นอะไรกันแนะ่ชั้นใดใจของเราในขณะนี้ ก็ยังอยู่ในความมืดบอดอยู่เรายังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายของคนอื่นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นอะไรต่างๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยพอเราพิจารณาด้วยปัญญาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลงไฟ ร่างกายของคนเราทุกคนนี้เป็นเพียงดินน้ำลงไฟที่ที่ที่จอดที่สุดท้ายของร่างกายนี้ก็คือที่เมนนั่นเองลองไปดูที่เมนตอนเช้าเวลาที่เขาไปเก็บซากที่เหลือจากการเผาร่างกายไม่มีอะไรเหลือนอกจากเศษกระดูกกับขี้เถ้าก็เป็นเพียงดินเั้ง น, นั้นเองส่วนน้ำกับลมมันก็ถูกไฟเผาละเหยหายไปหมดแล้ว นี่คือความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ได้เป็นใครทั้งนั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเศษกระดูกเป็นเพียงที่เท่าถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่เรื่อยเราก็จะไม่หลงไปคิดว่าร่างกายของคนนั้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราเราจะรู้ว่าเป็นเพียงดินน้ำลนไฟ แต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเหล่านั้นเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็ต้องไปตามบุญตามกรันรของเขาต่อไปจนกว่าเขาจะสามารถสร้างปัญญาความสว่างให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาได้เมื่อเขามีความสว่างในใจแล้วเขาก็จะหยุดไปเกิดได้ไม่หลงที่จะต้องไปยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเราของเราอีกต่อไปนี่คือผลสุดท้ายที่เราจะได้รับผลอันยิ่งใหญ่ก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ที่เกิดจากความหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราและก็จะไม่ไปยึดติดจะไม่อยากไปได้อะไรอีกต่อไปก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปไม่ต้องร้องโผงร้องอ้าอีกต่อไปนี่คือประโยชน์สูงที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือศึกษาแล้วนาเอาสิ่งที่เราได้ศึกษานี้มาปฏิบัติ อย่างวันนี้ก็ได้ศึกษาแล้วว่าเราต้องแยกใจของเราให้ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะต้องจากเราไปและสิ่งที่จะทำให้เราแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือการปฏิบัติทางศีลภาวนานี่เอง ดังนั้นขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปศึกษาต่อและนำเอาไปปฏิบัติต่อรับรองได้ว่าท่านจะได้พบกับประโยชน์สุดอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและภาษาพวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา